การแสดงทำก็มีอยู่สองประเภทภายปริยัตมีแต่การศึกษาเราเรียนอย่างเดียวไม่ว่าท่านว่าเรามัมีแต่การศึกษาเราเรียนอย่างเดีย ว, วก็ ต, กกววต้องเทศตามมันตามบทบาตรอาถาบาลีแปลไปตามนั้น แต่ทั้ง น, งนี้เป็นแง่เป็นแง่ทางด้านปฏิบัตินี่ได้ศึกษาเราเรียนมาอยู่ด้วยการสอบหรือไม่สอนไม่สาคัญสาคัญที่ว่าได้ศึกษาเราเรียนมานั้นเองและได้ปฏิบัติมาแล้วทั้งนเห็นผลในการปฏิบัติด้วย ตามกําลังของตนมากน้อยการแสดงธรรมในสองแน่นี้จึงต้องต่างกันดูโดยดีผู้แสดงธรรมเ่พาะอย่างยิ่งแสดงทางด้านจิตใจ หรับผู้ปฏิบัติแล้วได้ปรากฏผลมาเท่าที่ควรจะมีความคล่องตัวในกา ร, รแสดงผิดกับผู้ที่เรียนมาและปฏิบัติ ด, ด้วยกันแต่ไม่ได้ปรากฏผลถ้าผู้เรียนมาด้วยปฏิบัติด้วยแล้วได้เห็นผลทางการปฏิบัติด้วยการเรียนมาก็ เป็นเครื่องสนับสนุนแม้ไม่มากก็มีส่วนสนับสนุนกันคำว่าสนับสนุนในการแสดงเราหมายถึงเกี่ยวหมายถึงเกี่ยวกับสังคมและหมายถึงความจริงแต่ความจริงนั้นรู้เหมือนกันการแสดงแสดงออกต่างม ตามความจริงนั้นจะเข้าใจได้ในวงปฏิบัติแต่ผู้ไม่เคยปฏิบัติจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะท่านพูดกลงไปโงมาเลยว่าไม่แยกแยกออกเทียวก็สมมติ่างเรียนนี้เป็นเรื่องของสมมติทางธรรมะการปฏิบัติแสดงออกทางจากจากทางด้านปฏิบัตินี้เป็นการแสดงโดยความจริงของธรรมะ เพราะนั้นการแสดงธรรมต้องหลักฝ่ายปฏิบัติด้วยกันเรียนมากเรียนน้อยไม่สำคัญเราจะทราบได้อย่างชัดเจนในภูมิของผู้แสดงธรรมว่าผู้ผู้นี้ได้ทรงปฏิยัติมามากน้อยหรือจะเป็นมหาปริยนก็ต่าง การแสดงธรรมของท่านเป็นไปในแง่ในรูปใดเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติหรือไม่มีหมายถึงภานานจิตใจที่ได้รู้ได้เห็นทางภาพปฏิบัติจากภาพปฏิบัติมากน้อยเทียงไรขณะแสดงออกมาก็ฟ้ารูปภูมิจิตใจอยาประเอียดขนาดไหนเวลาแสดงออกมาจะเป็นแสดงธรรมะพื้นพื้นก็าตามมันก็สอนแสดงให้เห็นอยู่มั้นแหละ ถ้าจิตใจเป็นไปด้วยการปฏิบัติรู้ได้รู้ได้เห็นไปโดยลำดับการแสดงออกจะมีความหนักแน่นมากโดยลำดับแห่งภูมิของจิตเพราะถอดเอาความจริงออกมารู้อย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดได้อย่างอาจฮานพูดได้ตามความจริงนั้นๆที่ปรากฏขึ้นภายในใจของตนจากการปฏิบัติจึงต้องต่างกันท้ตหอดกานแสดงให้และทําให้ ให้ทราบในภูมิของผู้แสดงด้วยโดยลำดับในการแสดงทำตามหลักความจริงนี้เป็นสิ่งที่ยากลาบากอยู่มากถ้าผู้ไม่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เข้าใจทางด้านปฏิบัติไม่เห็นผลในด้านปฏิบัติพารนำมาแสดงก็ต้องเหมือนกับทางไม่ราบรื่น ผิดกับผู้ที่แสดงด้วยความรู้ความเห็นจากการปฏิบัติอู่มากเห็นผู้แสดงในเรื่องสมาธิหรือสมาธิทางปริยัติท่านขออธิบายไปอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นแถวกลงไปเลยท่านไม่แยกไปแยะแต่ทางภาพปฏิบัติแยกแยะได้ตามความเข้าใจของตนที่เคยปฏิบัติมาตามความรู้ความเห็นที่เคยผ่านมา สอกแสบซิกซกไปตรงไหนก็นแยกแยกไปได้เพราะฉะนั้นจิตต้องตึงอธิบายดนเรื่องสมาธิได้อย่างกว้างขวางเรือลึกซึ้งไปโดยลำดับของสมาธิเกี่ยวกับภูมิของผู้ที่รู้ที่เห็นแสดงออกมาคำว่าสมาธิเราก็เพียงเข้าใจว่าแปลว่าความตั้งมั่นของจิตเนี่ยอันนี้ก็กคำปั้นตีลิน นืจิตทําอย่างไรจึงต้องตั้งมั่นอ า, อาการของความตั้งมั่นนั่นคือผลของความตั้งมั่นนั้นแสดงอาการอะไรแกผู้ปฏิบัติให้เข้าใจให้รู้ให้เห็นพอที่จะนํามาอธิบายได้ซึ่งเป็นขนแหงของความตั้งมั่นนั้นคืออะไรบ้างนี่อย่างนี้มันอธิบายไม่ได้เลยแต่จิตผู้มีสมาธิด้วยการปฏิบัติจริงๆจะทราบทั้งขนแหงอย่างสมาธิที่แสดงตัวออกไปในขณะนั้นๆ และทราบทั้งเรื่องความเป็นสมาธิของตนฉปนั้นจึงอธิบายได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดนี่หรกันกะสมาธิคือจิตมีความสงอบจั่วขณะแล้วถอนออกมาเสียเี้่หนึ่งนื่อหนึ่งท่านอรยะท่านว่าอุปจารสมาธิจิตเฉียดเฉียดหนท่านว่ารวมจะเฉียด รวมมากกว่าคณิกาสมาธินี่มันก็แสงกับความเห็นความรู้ของผู้จารุจดจารึกไปแล้วนี่กพร ย, ยับออกมาตนั้นก็เข้าใจถ้าเป็นภาคปฏิบัติจริงๆคำวมาอุปจาระสมาธินี่ก็มหมายถึงจิตที่พอขยับตัวเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็แฉลกออกไปข้างนอกอุปจารหมายถึงจระจระ อ, ออกออกออ ก, ออกแปลว่าเที่ยวอย่าไรไม่ได้อยู่กับที่ อริบาลไม่ท่านในสามนี่ถูกต้องดีอุปจาระพอเข้าไปแล้วมันก็เที่ยวคือไม่ไปอยู่ในนั้นแช่แข็งไปข้างนอกไปรู้สิงนั้นเห็นสิ่งนี้ไปเสียแล้วไปจะเตลิดเปิดเปิงเต๋อเห็นผีเห็นโลกสวรรค์อะไรจริงหรือไม่จริงก็ตามในขั้นนึ่งแรกมันต้องเป็นอย่างนั้นเห็นผ้าต่างๆนางฟ้านางสวรรค์ก็เห็นมันไปรูย เป็นผีมีลักษณนะไงมันก็เห็นไปตามเรื่องของมันนี่เรียกวุปจาระแต่สงหรับผู้ที่ยังไม่ไม่ชำนาญเป็นแต่เพียงว่าจะดีดนิสัยพาให้เป็นไปทา่นนานั้นส่วนอนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นมันยังไม่จริงมันแสดงอย่างนั้นก่อนหากพอทราบว่า น, นิสัยนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ นิสัยกิดตรงนี้เป็นอย่างนั้นเวลามีความชำนิชำนาญเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วจะใชะ้ได้โจทย์ได้ดีในสมาธิขั้นนี้เวลาจะนำมาใชา้อัี่ปนาสมาธิา ร, รวมรวมอย่างแนบแน่นเนี่ยห้อยอย่างนั้น ควรวมอย่างแนบแน่นเวลาถอนออกมาแล้วแนบแน่นไหมนี่ทั้งภาคปฏิบัติผู้ที่เข้าใจทั้งสมาธิประเภทนี้ต้องทราบทั้งขณะที่จิตรวมตัวเข้าไปสู่ความแนบแน่นทั้งเวลาจิตที่ถอนออกมาจับความแนบแน่นคือไม่ใช่กิเลสแห่งความคิดความปรุงของใจแล้วฐานของจิตเป็นอย่างไรี่ผู้ปฏิบัติผู้ได้รู้ได้เห็นก็เข้าใจว่าความแนบแน่นนั้นหมายถึงจิตที่ครับ สงบตัวเข้าไปอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้ใช้กิริยาของจิตคิดเรื่องต่างๆเรียกว่าหยุดคิดหยุดตงุงเป็นความสงบแน่วอยู่ภายในตัวเองโดยแล้วโดยโดยเฉพาะนีเรียกว่าอั ป, ปนาสมาธิถอจิตถอยออกมาจากความระงับการคิดตุงตัวเองแล้วก็คิดนั้นตุงนี้ได้แต่ฐานความมั่นคงของจิตซึ่งมีความแนบแน่นนั้น เป็นความแนบแน่นอยู่โดยปกติของสมาธิขั้นนั้นนี่อันนี้ทางด้านปฎิยัติอธิบายไม่ได้เพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้ก็จะอธิบา ย, ยว่าอัปนาสมาธิแปลว่าความสงบอย่างแนบแน่นเท่านั้นแยกออกมาเวลาผิดถอยออกมาจากสมาธิประเภทนั้นแล้วแยกมาพูดอีกไม่ได้ ผิดกันกับทางด้านประดุษนนี่เราเรียกว่าเป็นขแขนงออกมาอีกซึ่งท่านไม่ได้บอกไว้ในปริยัติเลยก็ตา้าแต่มันเป็นขแขนงนหนึ่งสแสดงออกมาให้ผู้ที่ปฏิบัติไม่รู้ได้เห็นในสมาธิประเภทนั้นนั้นเข้าใจในตัวเองแล้วก็พูดได้ตามความเป็นของจิตนั้นๆโดยไม่ใะ่ทกสถานแต่พูดถึงพันปัญญาก็เหมือนกันมีลักษณะเช่นเดียวกับนี่ปัญญายิ่งร้อยสรรพัน ในยะที่ทางนี้นี้เป็นในแง่ต่างๆตามแต่จะเห็นต้องควรในการปราบปราม้ิเลสประเภทใดบ้างด้วยอุบายปัญญาของตอนัึงจะเริ่มปัญญาไหวตัวสึกหัดปัญพิจารณาองฐานองขังนธ์ทุกอนิจังทุกของหน้าตาจึงเป็นเหมือนหินรับปัญญาให้ขมก้าในเมื่อพิจารณาดยุดโดยสม่เสมอ ความคล่องตัวของปัญญาก็จะออกทำงานได้อย่างคล่องแคล่วเป็นลำหนักจนกลายเป็นสติปัญญาตนุมัติขึ้นมาเพราะความเคยชินความจำเนิททำานาอยึ่งพูดถึงหนึ่งขัน้นปัญญาธรรมดาหรือขั้นเริ่มแรกของปัญญาล้วก็จะ ที่พูดได้ตามหลักปริญาที่ท่านแสดงไว้เท่านั้นจะแยกแยะอไปพูดนอกเหนือจากนั้นไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้อะไรที่จะตีดย่อยออกไปพอจะนํามาพูดได้เมื่อเมื่อไม่ได้ปฏิบัติและและไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ผลไม่เห็นผลแต่ถ้าได้ปฏิบัติ ด, ด้วยและเห็นผลด้วยแล้วก็แยกแยะออกมาแสดงหน้าตามความจริง แห่งกิริยาของปัญญาที่แสดงตัวออกมากน้อยกว้างแค่ลึกตื้นอย่างละเอียดแล้วคล่องตัวหรือไม่คล่องตัวในระยะใดจนกระทั่งถึงมหาอสตีนะปัญญาที่เดียวอสติปัญญาธรรมมั่นอสติปัญญาขั้นนั้นเป็นอย่างไรนี่เราก็พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ว่าอสติปัญญาตนรมมั่นคืออย่างไรก็จะต้องคาดกันเดากันนี่ เรายว่าตโนมัตินั่นนอกจากจะหมุนตัวไปเองแล้วยังมีความดูดความดื่มความสนใจไข่รู้ไข่เข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจใไข้รู้ไข้เห็นกิเลสประเภทต่างๆที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่ตรงไหนขุดค้นเข้าไปเมื่อขุดค้นเข้าไปเจอแล้วเก็เรียกว่ารบกันรบกันก็คือเทียบกันด้วยเหตุดยผลแยกแยะ ก, กันให้เป็นที่เข้าใจ พอเข้าใจแล้วก่เลสประเภทนั้นประเภทนั้นก็ดับลงไปดับลงไปคือดับเป็นชิ้นเป็นอันประดยลำดการพิจารณาที่แรกมันไม่ได้ดับึุบทีเดียวมันดับไปเป็นลำดับดับจนกาสร้างถึงควรที่จะดับพร้อมกันในขณะเดียวกันมันมันก็เป็นของมันไปเองจากปัญญาสติปัญญาตนงงมัน นี่เราก็พูดไม่ได้ยิ่งปันคําว่าปัญญายิ่งพิสดารมากยิ่งเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาด้วยแล้วนั่นยิ่งพิสดารคำว่าตอตโนมัติเป็นยังไงก็พูดได้อย่างกลา ง, งๆเท่านั้นเองแยกแยะไปไม่ได้ถ้าจิตไม่เข้าใจจิตไม่ได้เป็นตัวเองนี่ถ้าจิตเป็นตัวเองก็มีปัญหามันหมุนอยู่เหมือนกับธรรมจักร เหมือนกับเครื่องยนต์ที่เราเปิดเครื่องเอาไว้เนี่ยมันหมุนมันจิ้วติเป็นไปโดยลาําทังตนด้วยความสนใจใไข้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายมันหยุดยั้จงจนกระทั่งถึงหมายปลายทางแล้วถึงจะยุติทีเดียวเพราะว่ามีทางไปถ้าพูดถึงสายทางก็สุดสายจะไปไหนอีกก็รู้เองรถไปถึงสถานีแล้วจะไปไหนอีกสถานีสุดท้ายเนี่ยสถานีปลายทางก็ไปอีกนี่ยมันก็เข้าใจเอง การแสดงธรรมเพื่อจะให้ผู้ฟังเข้าใจในวิธีการปฏิบัติและได้รับผลไปโดยลำดับจากการฟังในขณะนั้นหนานี้เป็นการแสดงได้ยากนอกจากการปฏิบัติรู้เห็นขึ้นมาตามความอริง น, นั้นแล้วนำออกมาแสดง พระพุทธเจ้าท่านแสดงรงแสดงธรรมแสดงด้วยความรู้จริงเห็นจริงทุกแง่ทุกกระทงไม่มีแม้นนิดหนึ่งที่พระองค์ท่านจะนําเป็นความดลดาวออกมาสั่งสอนจัลโลกนี้ไม่มีมีมาด้วยความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแม่นยําแล้วทั้ง น, นั้นไม่ว่าจะเป็นทำแงใด ผิดกันกับสามัญทั่วไปอยู่มากถ้าสาวกก็เหมือนกันเพราะท่านบนรรจุความรู้ความเข้าใจความเห็นตามความจริงไว้เป็นหัวใจการแสดงออกไม่ว่าจะทำประเภทใดท่านถึงแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผู้ฟังซึ่งมุ่งความเข้าใจอยู่แล้วทำไมจะไม่เข้าใจ คราวนี้เข้าใจขนาดนี้คราวหน้าเข้าใจอย่างนั้นคราวห น, น, น้าเข้าใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทงทะลุไปได้ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงโอ้หเป็นของอัศ จ, จรรย์มากนะพระเจานั่งการฟังธรรมจึงเป็นภ่าปฏิบัติอันสําคัญยิ่ยงกว่าภาคปฏิบัติธรรมดาของเราทั่วๆไปมีหมายถึงผู้แสดงธรรมให้ฟังนั่นแหะ เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงการแสดงธรรมจริงไม่ผิดพลาดจากวิธีการที่จะแก้กี่เหลือในขณะนั้นของผู้ฟังทั้งหลายการฟังจึงได้รับประโยชน์ตามกําลังแห่งสติปัญญาของตนแจิตจะยังไม่เพลินสงบเวลาฟังก็ทําให้เพลินตามความจริงที่่านแสดงไปความเพลินไปตามความจริงนั้นจิตก็ไม่ได้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นการรบกวนตัวเอง ก็เป็นความสงบตัวอยู่ภายในนั้นกับอารมณ์อารมณ์แห่งธรรมนั้นเป็นขั้นปรรดาก็เพลินไปฏิการถอดการถอนวิธีการของท่านถอดถอนที่เหลือท่านถอนนั้นถอนอย่งไรนันก็เป็นทําให้เราทราบในขณะที่ท่านแสดงทำเพราะเป็นวิธีการตั้งนั้นผู้ฟังจินเข้าใจโดยลํำดับลำดับแล้วเพลินต่อการฟังอ๋อ คราวนี้สังเทตได้คติตรงนี้หายสงสัยตรงนี้แล้วปฏิบัติต่อไปถ้าเกิดข้อสงสัยงสัยในจุดต่อไปอีกเวลาท่านแสดงค่าวต่อไปก็ไปหายสงสัยในจุดนั้นหายสงสัยในในจุดนั้นเรื่อยหรืเลื่อ ย, เ ล, อยเลื่อยไปจุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้การแสดงธรรมทางปฏิบัติจึงแสดงได้ยาก ผู้ไม่ได้ปฏิบัตนี้แสดงไม่ได้นี่เราจะยกประยัดมาแสดงก็ไม่ได้ประมาทเราพูดตามความจริงเราจะยกประยัติที่เราเรียนมามาสั่งสอนคนเพื่อการถอดถอนกิเลสมันก็เหมือนกันกับเรายกยามาทั้งตู้นั่นแหละท่วมนั้นในคนไข้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่ทราบว่ายาขนาดไหนที่อยู่ในตู้จำ ท, ที่มีจํานวนมากอยู่ในตู้นั้นะ่ะว่าจะ เป็นขนาดที่เหมาะสมกับโรคชนิดนั้นๆทุ่มกันลงทั้งตู้ทั้งหีบยายเลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่ธรรมะก็ทุมท่ม้งหมดบรรดาได้เราได้ศึกษาเราเรียนมาเพียงไรแสดงไปทั้งๆ ท, ท, ที่เจ้าของไม่เข้าใจเรื่องธรรมะไม่รู้ไม่เห็นธรรมะมันก็ทํานองเดียวกันกับคนไม่ใช่หมอนะจะไปยกยามาทั้งหีบทั้งตูง้มัน พุ่มะคนไข้ไม่เกิดประโยชนอะไรถ้าเป็นหมอก็ไม่ยากจาเป็นอะไรจะต้องไปยกมาทั้งตูทั้งหีเพียงถามอาการรู้อาการแล้วเท่านั้นมันก็รู้ยาที่จะนํามารักษาและวรู้ว่าเป็นโรคชนิดใดในขณะเดยียวกันก็หยิบมาเพียงหลอดสองหลอดนะที่เหมาะสมกับการรักษาโรคตัว น, นี้นั้นในเวลานั้นเท่านั้นไม่ต้องออกมาก การแก้ปัญหาของผู้ค้องใจก็มีละะักษณะเช่นนั้นเหมือนกันหรือแก้ในทางภาพิบัต้ไม่ได้เอาอะไรมามากมายเพียงฟังเข้าไปก็เข้าใจมัาขัดข้องที่ตรงไหนมีแหน่อยที่ตรงไหนมั่งก็แก้เข้าไปตั๊บที่ตรงนั้นก็หายทั้งสายบันที พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนสรรโลกท่านสั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงสั่งสอนได้โดยถูกต้องภาษาวกท่านสั่งสอนแม้จะเป็นภูมิของภาวกแต่ความจริงก็เต็มภูมิท่านเหมือนกันนก็สอนเต็มภูมิขท่านจะมีมากมีน้อยท่านก็แสนสอนเต็มภูมิแห่งความจริงคือเข้าถึงความจริงเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจะไม่พิสดารกว้างขวางมากมายก็ตามแต่ก็เข้าถึงความจริงถึงความจริงะ ความจริงนี้ก็สามารถที่จะทําให้ผู้ฟังได้เข้าใจถึงความจริงได้อีกเช่นเดียวกั น, นที่ท่านมาแสดงแบบสุ่มเดาแล้วการแสดงทำทั้งหมดทำที่เราฟังอยู่ก็มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่รู้สิ่งมีอยู่ในตัวของเราจรึงต้องอาศัยท่านผู้รู้มาชี้บอกว่าเราว่านี่เป็นนี่นี่นั่นเป็นนั้น่นอยู่ที่ตร ง, ตรงนั้นตรงนั้นเนี่ย ก็บอกเรื่องของเราเหมือนเราเรามีเครื่องปรุงอาหารอยู่แล้วแต่เราไม่รู้วิธีปรุงท่านก็บอกเอานั้นมาผสมอันนี้อันนี้มผสมนั่นอันนั้นมาใสา่อันนี้มาใสา่ให้สําเร็จเป็นแกงชนนั้นขึ้นมาเราก็พอเข้าใจแล้วหยิบนั้นมารวมอยู่นี่มารวมมาผสมเข้าแล้วก็เป็นอาหารชนิด น, น, นั้นขึ้นมาโดยสมบูรณ์ บายวิธีสอนต่างๆนี้กรรมาฐานมีถึงสี่สิบห้องหรือสี่สิบกระทงสี่สิบนัยยะนี้กราเพื่อเป็นเครื่องระลึกของจิตเป็นเครื่องเตือนจิตเป็นเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นมรณนสติเป็นต้นก็เตือนให้ทราบเรื่องความตายของตนที่มีอยู่กับตนแต่เราไม่ได้ลึกมันก็ไม่สะดุดใจ มันยงสอนนห้เจริญ ม, มาน้าสติมาน่าสติก็คือว่าตายให้ลึกถึงความตายมีอยู่กับตัวของเรานี้ะจิตใจจะฟุ้งเฟอเ้อเหื่มไปไหนก็ตามเมื่อเราลึกถึงความตายแล้วมันก็สะดุดใจอ๋อเรามีบอกเป็นคนมีปายฆ่ า, าเหมือนกับโลกทั่วไปวันหนึ่งแน่นอนเราจะต้องตายแล้วทําไงคนเราเมื่อเราทราบแล้วว่ามันจวนจะค่ำอยู่แล้วเนี่ย มันกะขํามจะมืดออยู่แล้นเราจะรีบหาที่พักที่อาศัยที่ตรงไหนให้เป็นที่เหมาะสมก่อนมืดก่อนขํามนี่เราสมมุติเหมือนคนเดินทางเราต้องรีบจัดที่ทํารีบเจาะแสวงหาสถานที่พักให้เป็นที่เหมาะสมปลอดภัยเสียในขณะนั้นในเมื่อทำที่อยู่ที่พักให้เรียบร้อยแล้วรีบถึงที่พัก ในย่านพอสมควรสถานที่พอสมควรนะแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนถึงจะมืดก็มืดตายความดีที่เราพยายามสร้างขึ้นมาด้วยวิธีใดก็ตามแต่ด้วยทานก็าตามด้วยศีลก็าตามด้วยภาวนาก็าตามมันเป็นบุญเปกุศลเป็นความดีสำหรับเราทั้งสิ้น mm hmm. เป็นสารณะเป็นที่มิตของใจเหมือนเป็นที่พัก mm hmm. เหมือนเป็นที่อาศัย mm hmm. เป็นเครื่องพยุงใจ mm hmm. เป็นมิตรพึ่งเป็นพึ่งตายของใจ เราก็พยายามทําด้วยบัตรนี้พอถึงการนั้นร่างกายที่มันจะแตกสะดับเราก็จะไม่เสียท่าเสียทีแตกเมื่อไหร่ก็แตกที่อยู่ที่อาศัยเครื่องสนับสนุนพยุงจิตใจเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเสียใจถึงการเก็ไปาไปแบบสุขโตไม่ได้ไปแบบทุกขโตคือไปด้วยความทุกขความเดือดร้อนเพราะมันมีที่พึ่งที่อาศัยแต่ไปด้วยสุขโตคือไปด้วยความภูมิใจ ด้วยความดีของเราที่จะสร้างไว้แล้วนี่คือผู้ไม่ประมาทเนื่องจากการอนุลึกอนาปาฏว่ามา น, านะนัสติจะต้องตายจิดมันต้องชะ ง, งักพอพูดถึงเรื่องความตายสัตว์โลกกลัวกันทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกตัวก็ยังกลัวเรื่องความตายทําไมมนุษย์จะไปหันต่อความความตายไม่กลัวมีอย่างนี้ต้องกลัวเนี่ยองค์พระพุทธเจ้าสอนในจุดที่ถูกต้องขอ ง, ของสัตว์ในความรู้สึก ของสัตจะเป็นอย่างเดียวกันจึงต้องสอนทําให้เหมาะสมกับสานโลกเมื่อใดคิดถึงเรื่องความตายแล้วมันก็ประวัติหาที่ยึดที่เหนี่ยวที่กำบังที่ต้านทานที่หลบหลีกคนเราเมื่อเห็นภัยทําไมจะไม่หาที่ลหลบไพอลึกถึงภัยคือความตายมันก็ต้องหาที่หลบภัยด้วยการสร้างความดี เป็นอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นผลมาแล้วแล้วนำอุบายวิธีที่เคยได้ประโยชน์มาแล้วสั่งสอนสันโลกซึ่งมีความรู้สุดเช่นเดียวกันให้พึงสำนึกรู้ตัวคำว่าพุทโธมันก็หมายถึงให้จิตรละลึกรู้อยู่กับคำว่าพุทโธน้อมองศาจด า, า, า, า, า, าเข้ามาสู่ที่จิต พุทโธอยู่ไม่หยุดไม่ถอยใจก็สงบเข้าไปในองค์พุทโธนั่นคัมมาพุทโธกับความรู้ของเราก็เลยกกืนเป็นองค์เกนปอันเดียวกัญเสียและคัมมาพุทโธก็เลยหมดปัญหาไปเพราะเข้าถึงตัวพุทโธแท้ได้กัจิตใจของเราแล้ว น, นี่ท่านยบบว่ากรรมฐานมีถึงสี่สิบ่ แต่แล้วแต่จิตของเราจะชอบในกรรมาฐานใดเช่นเดียวกับยามีจำนวนมากถ้าถูกกับโรคของเราด้วยยาขนานใดยาขนานนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญสำหรั บ, บเราในธรรมทั้งหลายก็ไม่ถือจําเป็นเดี๋ยทุกบททุกบาทแต่ถือจําเป็นในธรรมที่เหมาะสมกับสจิตของตนในขั้นนิมแรกเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อปฏิบัติเข้าใจไปโดยลําดับแล้วธรรมจะ ค่อยเปลี่ยนสภาพตัวเองไปเรื่อยๆเพราะจิตใจความรู้สึกของใจอาการท้องใจมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆธรรมะจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นคู่เคียงของใจเป็นลำดับไม่งั้นก็ไม่ทันกัน <im> ก็กระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยนี้ก็เลยกลายเป็นทั่วถึงไปหมดในบรรดาธรม <im> รมอีดเป็นสิน่งสาคัญอยู่มาก คนนะครับการอบรมการฝึกหัดจิตด้วยสติสติคือความไม่รู้รู้มีรู้รู้ชั่วรู้ดีผิดถูกให้เป็นเครื่องกากับจิตบังคับจิตให้ดีจิตเมื่อมีสติเป็นเครื่องกากับรักษาข้อปลอดภัยถึงจะคิดเรื่องอะไรก็มีสติยับยั้งได้ ปล่อยให้คิดไปตามอัมเภอใจเพียงความรู้อย่างเดียวทั้งนั้นไม่มีสติควบคุมมันก็ทำํำมาเสียได้อย่างคนเป็นบ้าเป็นบอเพราะสติหมดไปจากใจเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวไปไหนก็ไปตามอัมเพลใจของนั่งอยู่ตามถนนหุนทางหรือเดินไปไหนมันก็ไม่นสนใจกับอะไรว่าจะเป็นภัยไม่เป็นภัย คิดถูกเพื่อดีประการใดไม่สนใจต้อหนักคนไม่มีสติคือคนบ้าเนี่ยจิตเมื่อฝึกหัดให้มีสติแล้วมันก็เหมือนกับคนปกติคนธรรมดาไม่เป็นไม้บ้าเสียก็อยก็ย่อมทราบที่ควรไม่ควรที่ผิดที่ถูกอันนี้จิตคิดไปเรื่องอะไรก็สามารถจะทราบเรื่องความคิดตังตนและพยายามหักห้ามได้ด้วยสติด้วยปัญญาหาอุบาย คัดค้านต้านทานกันบังคับกันกิตก็เป็นไปได้วยความปลอดภัยเพราะมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาหลองระพเทธเจ้าท่านสอนไว้หมดให้เราได้เข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อตัวเองจิดถ้าไม่สงบเลยมันก็หาความสุขไม่ได้โลกอันนี้จะกว้างแสนกว้างมันก็มาแคบอยู่ที่ใจดวงเดียวเพราใจมันรุ่มร้อน ใจเกิดความทุกข์โลกกว้างมันก็ไม่กว้างมันมาติดกันอันตูอยถภายในใจโดยเฉพาะนี่ที่พอจิตได้รับการอบรมสผลให้มีการยับยั้งตัวได้สงบจิตได้ความเย็นใจก็ปรากฏขึ้นมาที่โลกก็กว้างขึ้นมาที่ใจดวงนี้เมวใจมีความเย็นมีความสบายแล้วโลกมันก็กว้างเวิงวางไปหมด เวลาใจก็ละเอียดก็มากๆกว้างขวางมันเป็นคาคัญอยู่ที่ใจวัตถุต่างๆมันมีอยู่เต็มโล ก, กนัเนีหละไม่มีความสําคัญอะไรเ ข, เ, เขาเขาไม่มีความําคัญในเขาเองใจเราต่างหากไปตั้งความหมายความคันให้เขามันไปตั้งความหมายความสําคัญให้เขาแล้วตัวก็ไม่พ้นที่ตัวจะไปหลงเขาก็ติดเขาแล้วก่อความมุ่นวายให้ตัวเองเพราะความหลงความติดสิ่ง น, นั้นนั่นแหละ จิตจึงต้องอาศัยแก้ตัวเองให้ทราบทั้งสิ่งภายนอกทราบทั้งสิ่งภายในคือความคิดความตุงมีช่วของตัวเองจิตก็ระงับได้จิตระงับได้จิตก็สงบตัวได้ใจก็มีความสุขความสบายเย็นการชุกฝันชุกฝนอบรมจิตทําวิธีนี้ มันยาลำบากบ้างเราก็ฝืนเพราะเป็นทางถูกต้องดีงาแล้วไม่ฝืนต่อยค้อยไปตามอารมณ์ต่างๆมันก็พาให้กันเลยเปิดเติมไปสังสมความทุกข์ร้อนมาให้เราไม่หยุดไม่ท้อต่อไม่ตอนน่ตอมันก็หนักอึ้นไม่นกไม่ขึ้นละจมได้ทำให้มีการหักห้ามหรือต้านทานกันไม่ด้วยการรักษาด้วยการชำระด้วยการแก้ไขด้วยสติ ด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่เราจะต้องเริ่มฝึกจิตของเราเพราะจิตเป็นของมีคุณค่ามากจิตเป็นสมบัติของเราเราต้องรักษาเราต้องควบคุมเพื่อให้มีคุณภาพขึ้นที่จุดให้มีคุณธรรมขึ้นที่จุดเม่มีคุณภาพคุณสมบัติคุณธรรมขึ้นที่จิตแล้วจิตก็เย็นสบายอยู่ไหนก็อยู่ได้สบาย วิธีการอบรมใจเป็นอย่างนั้นวันนี้ไดอธิบายถึงนเรื่องการแสดงธรรมมีสองแง่แง่หนึ่งแสดงโดยปริยัติที่เราจํามาล้นล้วนไม่มีความจริงตาโ ก, กู่ในใจเลยอีกแง่หนึ่งแสดงออกมาด้วยความจริงจะอาศัยปริยัติก็อาศัยบ้างแต่ความจรินต้องเป็นแกนต้องเป็นรากฐานสาคัญ ต่อการแสดงอันนี้มีผลมากสำหรับผู้ฟังผู้แสดงก็ถนัดใจแสดงด้วยความถนัดแสดงด้วยความแน่ใจผลจึงมีมากยิ่งมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านปฏิบัติมากน้อยเพียงไรอ้าวอันคืนถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมด้วยแล้วการแสดงธรรมจึงไม่มีอัดมีอัน้นในขั้นภูมิต่างๆแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นไหนปัญญาขั้นใด แสดงได้อย่างถูกต้องแน่นยั่ด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยต่อความปิงที่ตนวนิ้เด้งมาแล้วนี่เรียกว่าแสดงทำด้วยความจริงลิก ก, กันกับแสดงด้วยความจำอยู่มากทีเดียวพระพุทธเจ้าแสดงด้วยความจริงสาวองคทั้งหลายแสดงด้วยความจริงผู้ฟังจริงได้รับของจริงไม่ตอบ อันนี้จึงขอหยุดเปลี่ยนท้องอ่